ว่าด้วยวิชาภิกษุทั้งหลายอาวิชาความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมอหิริความไม่อายบาปอานตปะความไม่กลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิชาทิฐิ 2. ผู้มีมิชาทิฐิย่อมมีมิชาสังกัปปะ 3. ผู้มีมิจฉาสังกัปปะย่อมมีมิจฉาวาจา 4. ผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากรรมมันตะ 5. ผู้มีมิจฉากรรมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะ 6. ผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะ 7. ผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติ 8. ผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิ 9. ผู้มีมิจฉาสมาธิย่อมมีมิจฉาญาณนะสิบผู้มีมิจฉาญาณนะย่อมมีมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายวิชาความรู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริความอายบาปและโอตตปะความกลัวบาปก็มีตามมาด้วยหนึ่งผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิฐิ สผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังคัปปะ 3. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจา 4. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากรรมันตะ 5. ผู้มีสัมมากรรมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะ 6. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะ 7. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติ แผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิ 9. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมมีสัมมาญะนะสผู้มีสัมมาญนะนย่อมมีสัมมาวิมุตติวิชาสูตรที่หจบ 6. นิชระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อมภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความเสื่อมสิประการนี้ เฮเทงความเสื่อมสิประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. เมื่อมีสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิช้าสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย 3. เมื่อมีสัมมาวาจามิช้าวาจาย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิช้าวาจาเป็นปั จ, จัจย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 4. เมื่อมีสัมมากัมมันตะมิชฌากัมมันตะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชฌากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย 5. เมื่อมีสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย มิฉาอาชีวะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาอาชีวะเป็นปัจจัย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจจย 6. เมื่อมิสัมมาวายามะมิฉาวายามะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาวายามะเป็นปัจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 7. จเมื่อมีสัมมาสติมิจฉาสติย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 8. เมื่อมีสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิย่อมเสื่อมไป บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัย 9. เมื่อมีสามาานะัมมาญาณนมะิฉาญาณย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาญาณเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย 10. เมื่อมีสัมมาวิมุตติมิชาวิมุตติย่อมเสื่อมไปบาปอากุโสณธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุโสณธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเฮเทงความเสื่อมสิประการนี้แลนิจระสูตรที่6จบ เโทวณสูตรว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตายภิกษุทั้งหลายในทักคีนาชนบทมีธรรมเนียมการล้างกระดูกของญาติผู้ตายในธรรมเนียมการล้างกระดูกนั้นมีข้าวบ้างน้ำบ้างของเคี้ยวบ้างของบริโภคบ้างเครื่องลิ้มบ้างเครื่องดื่มบ้างการฟ้อนรำบ้างเพลงขับบ้างการประโคมบ้าง ธรรมเนียมการล้างนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การล้างนั้นแหลเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานเราจะแสดงการล้างอันเป็นของพระอริยะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำนัด เพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะความโศกปริเทวะความร่ำไรทุกข์ความทุกข์กาย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 เพื่อสงบประ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชาราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุบายาตเป็นอย่างไรคือ 1. ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมล้างมิจฉาทิฏฐิได้ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาถถทิฏฐิเป็นปัจจยัย 2. 2. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมล้างมิจฉาสังกัปปะได้และถึง 3. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมล้างมิจฉาวาจาได้ 4. ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมล้างมิจฉาคัมมันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมล้างมิจฉาอาชีวะได้ 6. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมล้างมิจฉาวายามะได้ 7... ผู้มีสัมมาสติย่อมล้างมิจฉาสติได้ 8. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมล้างมิจฉาสมาธิได้ 9. ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมล้างมิชายานะได้ 10. ผู้มีสัมมาวิมุติย่อมล้างมิชาวิมุติได้ล้างบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชาวิมุติเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายการล้างอันเป็นของพระอริยะนี้แลที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหนายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับ เพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาต โทวนสูตรที่7จบ 8. ติกิจชกะสูตรว่าด้วยแพทย์ให้ยาระบายภิกษุทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาระบายเพื่อบำบัดอาพาธ มีดีเป็นสมุทฐานบ้างมีเสลเป็นสมุทฐานบ้างมีลมเป็นสมุทฐานบ้างยาระบายนี้มีอยู่เราม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่ยาระบายนี้แหลใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราจะแสดงยาระบายอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอนมิใช่ไร้ผลซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติ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 เป็นอย่างไรคือ 1. ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิได้ระบายบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมระบายมิจฉาสังกัปปะได้และถึง 3. ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมระบายมิฉาวาจาได้สี่ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมระบายมิฉากัมมันตะได้ห้าผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมระบายมิฉาอาชีวะได้ 6. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมระบายมิฉาวายามะได้ 7. ผู้มีสัมมาสติย่อมระบายมิฉาสติได้แปดผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมระบายมิจฉาสมาธิได้ 9. ผู้มีสัมมาญาณนะย่อมระบายมิจฉาญาณะได้สิ 10. ผู้มีสัมมาวิมุติย่อมระบายมิจฉาวิมุติได้ระบายบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุติเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลาย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 ติกิจกะสูตรที่8จบเก้าวะมณสูตรว่าด้วยแพทยให้ยาสำรอกภิกษุทั้งหลายแพทยทั้งหลายย่อมให้ยาสำรอก เพื่อบรรบัตอาพาธอันมีดีเป็นสมุทฐานบ้างมีเฉลตเป็นสมุทฐานบ้างมีลมเป็นสมุทฐานบ้างยาสำรอกนี้มีอยู่เรามิได้กล่าวว่าไม่มีแต่ยาสำรอกนี้แหลใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราจักแสดงยาสำรอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอนมิใช่ไรผลซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาต ผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโศกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุปาญาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโศกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุปาญาตได้เธอทั้งหลายจงฟังและถึงญาสํารอกอันเป็นของพระอริยะที่ใช้ได้ผลแน่นอนมิใช่ไร้ผล ซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติละถึงผู้มีโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตได้เป็นอย่างไรคือ 1. ผู้มีสัมมาทิฐิย่อมสํารอกมิชาทิฐิได้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 ย่อมสำรอกมิฉากรรมมันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมสํารอกมิฉาอาชีวะได้ 6. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมสํารอกมิฉาวายามะได้ 7. ผู้มีสัมมาสติย่อมสํารอกมิฉาสติได้ 8. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมสํารอกมิฉาสมาธิได้ 9. ผู้มีสัมมาญานะ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 นิทธมณียสูตรว่าด้วยทำอันบุคคลพึงกำจัดภิกษุทั้งหลายทำอันบุคคลพึงกำจัดสิประการนี้ทำอันบุคคลพึงกำจัดสิประการอะไรบ้างคือ 1. ผู้มีสัมมาทิฐิย่อมกำจัดมิจฉาทิฐิได้กำจัดบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมาก Hmm. ย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมกําจัดมิจฉาสังกัปปะได้ละถึง 3. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมกําจัดมิจฉาวาจาได้ 4. ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมกําจัดมิจฉากัมมันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมกําจัดมิจฉาอาชีวะได้ ผู้มีสัมมาวายามะย่อมกำจัดมิจฉาวายามะได้ 7. ผู้มีสัมมาสติย่อมกำจัดมิจฉาสติได้ 8. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมกำจัดมิจฉาสมาธิได้ 9. ผู้มีสัมมาญานะย่อมกำจัดมิจฉายาณะได้ 10. ผู้มีสัมมาวิมุติย่อมกำจัดมิจฉาวิมุติได้ กำจัดบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาวิมุติเป็นปัจจัยเสียได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายทำอันบุคคลพึองอกำจัดสิบประการนี้แลนิธรรมนิยสูตรที่สิบจบ11บเอ็ปฐมมาอเสขาสูตรว่าด้วยพระอเสขาสูตรที่หนึ่ง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 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเศะสะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเศะสะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาที่เป็นอเศะสะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเศะหะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอาศะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะที่เป็นอาศะ เเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติที่เป็นอเศขะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นอเศขะเเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะที่เป็นอเศขะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติที่เป็นอเศขะภิกษุภิกษุเป็นพระอเศขะอย่างนี้และปฐมมาอเศขสูตรที่11จบ ทุติยอาเสขาสูตรว่าด้วยพระอาเสขาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นอาเสขาสิบประการนี้ทาที่เป็นอาเสขาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ 2. สัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ 3. าสัมมาวาจาที่เป็นอเสขา สสัมมากัมมันตะที่เป็นอาศะห้าสัมมาอาชีวะที่เป็นอเาศะ 6. สัมมาวายมะที่เป็นอาศะเจ็สัมมาสติที่เป็นอาศะแปดสัมมาสมาธิที่เป็นอาศะเก้สัมมาญานะที่เป็นอเาศะ 10. สัมมาวิมุติที่เป็นอเาศะภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นของพระอเซขะสิบประการนี้แลทุติยอเซขสูตรที่12จบสมณสัญญาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สมณสัญญาสูตร 2. โพชังคสูตร 3. มิจฉตสูตร 4. ี่พีชะสูตร 5. วิชาสูตร 6. นิชระสูตร 7. โทวนสูตร 8. ติกิชกะสูตร 9. วาวมนะสูตร 10. นิทามนิยะสูตร 11. ปฐมมะเสขสูตร 12. ทุติยามเสขะสูตร โยโรหนิวั์หมวดว่าด้วยพิธีลอยบาปหนึ่งปฐมอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาครตรัสว่าพิสุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบตัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำฤทิผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากรรมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด แมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณนะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ สามสัมมาวาจาเจรจาชอบสีสัมมากัมมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบ พิสูจทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นปฐมมะอเสูตรที่หนึ่งจบ สทุติยอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. มิชฌาทิฏฐิ mm hmm. uh เป็น <freakin> <mein S 1> สิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชฌาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. มิชฌาสังกัปปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. ามมิจฉาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิช่าวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. มิจชากัมมันตะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมากัมมันตะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจชากัมมันตะเป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากรรมันตะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. มิฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. มิฉาวายามะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาวายามะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายมะเป็นปัจจ <injust> ัย นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 7. มิจฉาสติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมาสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 8. มิจฉาสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิฉาสมาธิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 9. มิฉาญาณะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมายาณะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชายานะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 10. มิชายวิมุตติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวิมุตติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิชายวิมุตติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์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 ทุติยอาธรรมสูตรที่สองจบ